กูตีอาจารย์เทียนอยู่สวยงามมากเอาไปแข่งกับกูตีลุงตะวัวไปยังไงใครจะได้คะแนห <c oughs> นหะนึ่กุติลุงตะวัวในแปดผลแล้วไปขอสร้างให้ถึงแปดผลเลือปลูกใหม่หรือไม่เลือตามจะปลูกที่อื่นให้อันนี้ไม่สมศักดิ์ศรีผมว่า พวกบ้ารไม่สมศักดิ์ศรีลูกขโมลเสนาสนางนิสัประประชานั่นสมหรือไม่สมดูมันยก ม, ม, ม, มนในาใส่พี่พี่เจ้าไล่เขาอยู่ในปา่ามันประชาทั้งหมดแล้วให้ไปเที่ยวอยู่ในปา่าในเขาตามถ้ำเนื้อผ า, ป, า, าป่าช้าป่าโลคัดซึ่งเป็นที่สงัดในการก่กอความท่างเคียง เป็นความสะดวกอบายเธอตั้งหลายไปอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดที้เธอไดนะ้ถ้าเอาว่าพอบวชปั๊บสอนอันนี้ขึ้นก่อนเลยเขาไปขอสร้างสุติเราแปดสมผลที่แปดสร้างกันใหญ่เลยนะตั้งจากนัเนี่ยเปไม่ไปไม่ไปอีก เห็นมัดเด็กสุดท้ายแปดโยกนะใส่กันนี่แปดโยกสิงสงกลงช <c oughs> ันลากรสิ่โหนกลายหลังในวันไม่ให้เท่านั้นที่แปดหน <c oughs> โหลที่แปดเอากันใหญ่จริงเลยเหนืนอามาฟังมาหาคุวาการ เรื่องจะฟังเสียงอัดเสียงทาจากคู่จากใจไม่ฟังเหลืออันนี้เป็นเสียงอะไรไล่ท่นเจ้าที่ที่พูดนั่นเป็นเสียงอะไรไล่เบียงดูด้วยนะงั่านั่นมาเลยเงียบไม่ไม่กลับมาสู้ข้างที่แปดเอาหมัดเด็กไนเลยแปดคนะ น, นี้นักที่บอกเลยนะ กมันที่อย่างนั้นเพราะอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งสังขารร่างกายนี่คืออะไร <c oughs> มันก็คือป่าท้าผีดิบแล้วจะเอาอะไรมาประดับประดามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้สภาพเหมือนกันพออยู่ที่ไหนอยู่ได้อยู่ได้นั่งเหมาะ <c oughs> จะไปหา ป, ปราสาทราบชบุรีเท่าไหร่มาให้ซากกระดูกอยู่มันเท่ากันได้ที่ัหน <c oughs> ท่านวางสภาพให้พอเหมาะพอดี อันนี้เป็นสภาพแบบนีที่อยู่ที่อาศัยกล้องภาพสภาพแบบนี้ก็เป็นอย่างนั้นอห่างนั่นขอดีการนั่นท่านว่าจะไปตกแต่งอะไรเหมือนอย่งประดับลงผี น, ผยยงนั่นแหละผีตายอยนั้นประดับประดาดตกแต่งก็เป็นบ้ากันไปเลยในหัวใจเจ้าของไม่ตกแต่งไม่ประดับประดาดไม่แก้ไขไม่มองดูมองดูแต่น อ, นอกมันก็มีแต่ความเลอะเทอะที่ข้างนอก ถ้ามองเข้ามานี่จะได้เห็นความเลือดเถ้าตัวนี้เต้ยความเลือดเถอันี้แล้วมันจะกระจายออกเรื่องสะอาสะอาดของใจของธรรมผิดกับความสะอาดสะอานเหล่านี้แตแน่ๆนี่ก็ถือกันว่านี่สะอาดสะอาดเรื่องพับผับผับผนี่โลกที่เลศชอบกันมากเสียว่าสะอาดสะอานมากทีเดียวแต่ในสายตาของธรรมศพกระโปงมากที่สุดนั่นเห็นไหม นี่แล้วมันเข้ากันได้ไั้มที่นีความด่าเขาทำไปยังไงกับถิ่นวัวนี้ไม่เข้ากันได้ยังไงนี่จีเรื่องของกิเลสมันจึงชอบประดับประดาตกแต่งให้สวยงามสุตกแต่งเท่าไหรย่ยิ่งเลอะยิ่งเถอะเรื่องของกิหลสได้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสบัญยังิขัางทําก็ตกแต่งวันนี้ดีแล้วพอเลียบหมดเลย <c oughs> ไม่มีอะไรวความกังวลแสนกังวลอยู่ที่หัวใจ เขาตัวกังวลนี่ออแล้วไม่มีอะไรมายุ่งนะโลกไปหมดโลกกรถางไม่มีอะไรมาสนมากขวางคือที่เหลสเขานั้นมันจีบมานขวางกั้งแตะเชี่ยนแต่น้ําขึ้นไปเป็นหอบเป็นเหลาไปเรื่อยๆโดยลำดับบรรดาล้วนแล้วต่งกเรื่องของกิเลสมันจีบมันขวางเร <c oughs> ื่องของธรรมถ้ามันลาบากตรงลงที่ไหนให้พอเหมาะกัน นี่ก็ทรอาดผีดิโพงลงที่ไหนพออยู่เป็นไปวันอย่าหนึ่งเท่านั้นพอครับประดับอันนี้ให้ดีให้ดีแล้วดูได้ดูออกหมดไม่ขันไม่แย้งกับอะไรนั่นนี่ละสะอาดภายในธรรมุนิจจ่าตัึงพ่อ้พระไทยความสะอาดของจิตพระพุทธเจ้ากับความสกปรกของวัดตะวนันมันต่างกันยังไงบ้างที่จะคัดจะชะด่าล้างนิ้ เรียกว่าท่อระไใยแต่ขั้นล้างอะไรคนหนึ่งมันสั่งสมขึ้นมาในเรื่องสกรกปกทั่วโลกดินแดนแล้วนี้จะมาชามาล่างน้ำกระป๋องเดียว ส, สาเกาาล่างความสกรกปกทั้งสามใจผมมันไหวเห่แล้อท่อผไาใยมาพีนี่พีเจริรายแยกแยกเอาหรือว่า ก็มัวเดียวก็ถ้าล้างประจามนี่แหละยังดีกว่าไม่ล้างเลยเอาละ่ะเดี๋ยว <c oughs> ยนี้พระกํามฐานเรามันเป็นบ้าการกอะการสร้างกั น, กกนหมดเลยมันดูไม่ได้นะไปที่ไหนขวางทันทีทันทีเลย <c oughs> นั่นแหละวิเลกต้องขวางทำเสมอนะฮะจะบองให้เห็นงานตางามใจไม่ค่อยเห็นและไม่มี นี่จร ะ, ะเจอากาศที่ว่าเป็นความสวยงามหรูหราของกิเลสทั้งนั้นเป็นความจระเจอากาศของธรรม <c oughs> ทำแท่สมัยจระเจริญอากาศว่างโลกฐานไม่มีอะไรว่างยิ่งกว่าจิตใจที่ว่างจากสิ่งโสโครทั้งไหลแล้วนั่นเป็นที่ว่างวาง่างนั่นีน่เวลาถ้ามามั่งมากนีกับโกโลโกโศนะพาเราผมอดฟินม่ได เพราะมันจะมันเป็นอย่างนั้นโคโลโกสุมามากสลายมาจากที่ไหนที่ไหนมาค้าเข้ากัาาาานก็ได้แต่ความโลภโกรกมาเต็มมัดเต็ม ว, า, มวาที่ยอาการเคลื่อนไหวของพระของของเองจะเป็นความเลอะเทอะไปหมดนะ <c oughs> าาั่นแหละถ้าการที่ยิปนาห์ทำเวลาอย่าลืมดูหัวใจตัวเองความเคลื่อนไหวขอหัวใจเนี่ยออกไป้าสิ่งทั้งหลาย ให้ดูความเคลื่อนไหวอังนี้ที่ถูกุพอดีจะรู้กันที่นั่นมาเนี่ยถึงที่ใจเพรนะ <c oughs> ว่าโตไปถ่งศาสนาจะไม่มีนะบอกเพราะอํานาจของที่เหลสมันทับเอาทับเอาทับเอา <c oughs> มันก็ไม่มีเหลือเลยนะเรารู้สึกว่าท้อใจนะมองไปที่ไหนมองไป ที่ววของธรรมไม่ค่อยปรากฏไม่กับเรื่องของเดีออกหน้าของตาไม่ว่าในบ้านในเมืองในวัดในวานอกวัด น, นอกวาไม่เรืเ่องก็เรื่คุมอำนาจไว้หมดเลยนะธรรมไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีนี่เราแยกนิดนิดนึ่งว่าธรรมไม่ค่อยมีหรือไม่มีธรรม ท, ที่มีก็มีอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติและใกล้ฝ่ายธรรมฝ่ายนี้ใน ตั้งใจประพฤ่ปฏิบัติํำจัดพิเลสออกจากใจแต่เพราะอย่างนี้ด้วยจิตตภาวนานี่ที่ว่าทำพอมีบ้างกับตรงนี้ที่ว่าไม่ก็มีก็คือยังมีนี่เหลืออยู่ถ้าหมดนี้แล้วมหมดเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือผ้าเหลืองเอามาเต็มตลาดมาพกเผาผ้าทั้งองค์ก็ได้ไม่ต้องไปหาฟืนหาถ่านนะไ ม, ไม่เกิดประโยชน์อะไรผ้าเหลืองเฉย โกผมโกลซีงเหมือนกันอีกคนฟาดลงกระโหลกศรีษรษะจนไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่กระโหลกศรีรษะมันก็เป็นกระโหลกศรีรษะของผีตายที่ไม่มีศีลธรรมติดหัวใจในผ้านในเนินเรานั่นแหละใถ้ากินให้สว่างอยู่กับธรรมตลอดเวลาดูที่ไหนที่ไหนมันแสดงคุณค่าคุณราคาเหนือโลกเหนือสงสารไปตลอดตลอดแล้วมันจะไม่ดูโลกสงสารชาัดเจนได้อย่างไราะ ก็อันหนึ่งลืมตาดูยังหัวเช้าดูดูด้วยโลกระบี่ถูดูแจ้งโลกด้วยความสว่างสวยของใจโลกมืดความสว่างสวยของใจดูด้วยโลกระบีถูหรืออะโลโกดปาดิสว่างจ้าดูด้วยความสว่างจ้า อเนื่องที่วัดใน้ลืมแล้วนะเนื่อที่วัอยู่ลแล้ว <c oughs> คือวันนี้เขาถวายเราถวายที่นี่เป็นวัด <c oughs> <c oughs> นมุสลิมเราจึงไม่ค่อยจะรับพวกสถานที่ที่เขาขายแล้วก็ยืมเขาถวายให้เป็นวัดเป็นวาดไม่ค่อยรับนะ <c oughs> สวายมากกว่ามากแต่ไม่รับพอารับแล้วต้องรับผิดชอบสิ เช่นอย่างสถานที่นี้เมื่อก็มาถวายที่นี่ให้เป็นวัดแล้วก็บพี่ณาดูแถ <c oughs> วนี้ในวงกรรมฐ า, านผู้ตั้งใจปฏิบัติอาธรรมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีถ้ารับถ้าตั้งทิ่งขึ้นมาเป็นสราเข้วาแล้วก็จะเป็นจุดผ่อนคลายทางด้านจิตใจการมาเป็นคุณงานของดีก็ จะมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญและได้ยินได้ฟังอัดธรรมแล้วก็เห็นความจะเปลี่ยนงันเราจึงต้องรับนะรับที่นี่อันรับแล้วท่าก็เป็นภาระต้องได้ส่อสแสวงหาพระที่จะมาอยู่นี่เป็นพระเช่นไหรนะหาพระที่จะมาอยู่นี่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ <c oughs> คิดแล้วคิดเล่าตรงใจกับองไหนองไหนที่จะมาอยู่ที่นี่มันก็ตรงไม่ลงง่ายๆนะแล้วจะได้ติดนะต่อกับอาจารย์ยรที่มีมูลนิธิท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชี่แจงเหตุผลให้ทราบในเรื่องเนี่ยที่อยาให้ท่านมาเป็นโยมผ่านอยู่วันนี้ ท่านก็รับด้วยดีนะไม่ขัดไม่ฟ้องเลยรับเนี่ยทิ้งเครื่องภาระอันหนึ่งไม่ง่นกว่าลำบากที่หาภาพมาันหะน่แล้วก็จากนั้นมาก็อยู่จนทางป่า น, นี้อาจารย์เชีย่ยวท่านมาอยู่ที่นี่ <c oughs> แล้วก็เอาไปนูน่นนะมายุ่งทำไมกำลังเทศนี่ นี่หมอมนชวงนั่นนี่่ะอืเราเคยเป็นลูกศิษย์มาแล้วเนี่ยเวลาพูดหลักพูดทำอย่ามากวนนะนี่เราเรื่องของที่เล่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมละ่ะมันขวางนั่นขวางนี่ตลอดถ้าจะพูดหลักพูดทำอันนี้มันยากอะไรมันลําบากอะไรเหลยนี่ทำตัางหากเป็นของลาบากเช่นอย่างเช่เวลานี้มีใครมาเช็คอยู่เวลานี้มีไหมก็มีองค์เดียวว่างๆอยู่นี่ มันควรจะได้ตั้งใจฟังให้เป็นกติเครื่องเตือนใจแก่ตนมันมามายุ่งกับสิ่งเหล่านี้มันหาได้ที่ไหนโอจากเมื่อ <c oughs> ไหรนี่เลยได้อาจารย์เที่ยมมาอยู่ที่นี่นี่ต่อไปนี้ก็จะได้พิจารณาอีกเ <c oughs> <c oughs> มือ่อเขาอาจารย์เทียผ่านไปเรียร้อยแล้วก็จะได้พิจารณาผู้ที่จะมาอยู่ที่นี่จะมาทําความเสื่อมเสียหรือจะมาทํา ความเจริญรุ่งเรืองพยุงวัดขึ้นไปมันต้องเด็พิจารณาทั้งสองแน่ <c oughs> ไม่ใช่ใครมาอยู่ก็ได้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ <c oughs> ตอน้อนเดพิจารณาซะก่อนเพราะว่านี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่โดยดีแหละเพราะเป็นที่ของเรารับเรียบร้อยแล้วให้จต่เพมาอยู่ความรับผิดชอบมันก็เกี่ยวโยง ก, กันอยู่เมื่อการล่วงไปแล้วเป็นยังไงเราทิ้งเลยมัไม่ได้เน่ย จะต้องพี่นี่พี่เจรณาต่อไปนี่แห่งหนึ่งที่รับนะทางเมืองการกวางกันนี่ก็จะไหวที่เมืองการจน์อันนั้นก็คิดถึงเรื่องพระที่จะมากรรมฐานในวงนั้นแถวนั้นไม่ค่อยมีคิดแล้วจําเป็นใจก็รับรับแล้วก่อนอันนี้มวท่านจันทเนี้มาอยู่ท่านจันนี้เป็น พระคลองด่านคลองด่านนี่เป็นสมุดปราการหรือเป็นที่ไหนนะสมุดปราการครับสมุดปราการอยู่คลองด่านนะพอบวชแล้วก็ไปอยู่กับเราโอ้หิหน้ายู่น้าสร้างใจแบบพิถีพิถันดีแทบว่าไม่มีที่จำหนึ่นัอยู่ใกล้ที่ติดพันกับเราตลอดเลยจากนั้นขึ้นมาอยู่ทางนี่แหละธรรม กเกี่ยวกับทาว่าภูมิเยออพอดีก็าถวายที่นี่แล้วก็ท่านอันนี้ท่านมาหาก็เลยถามท่านเลยถึ ง, ถ ง, ถงเรื่องบัดวาที่ท่านอยู่เป็นยังไงยังไงว่าให้ว่าให้ท่านมาอยู่มีสร้างบัานใหม่ขึ้นมาท่านมาเป็นผู้รับผิดชอบในวันนี้เป็นเจ้าวัดวันนี้ท่านจะขัดคลองไหมทางโน้นมีผู้อยู่ดูแลรักษาเยอะบอกว่าไมน เขาเองก็ตกลงกันให้ถึงให้สันจันมาอยู่เนี่ก <c oughs> ับเพื่องพระละอัหนึ่งไป <c oughs> ด้วยเหตุนี้เองเราจรึงไ ม, ไม่ไม่รับง่ายๆไอ้เรื่องเขาจะไหวยชี้จนว่าโอ้ยมากต่อมากนะมิไม่ใช่รับด้วยความชี้โลกรับด้วยเหตุโดยผลจริรับเพื่อประโยชน์แต่โลกไม่ใช่รับแบบโลกโลกขอรับไป น, นะรับนั้นหมายว่าได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไรไพอปเป็เรื่องของเอะรนวน ทำมาต้องเรงความพอเหมาะพอลเอีกดโต้นปายทุกอย่างอันนี้เรายังให้ท่านจันอยู่ที่นั่นมาอยู่ที่นั่นอันนี้สายวัฒนาไปคนระเบิดและฉบับเราสู้ท่านไม่ได้แ่ท่านจันสู้ไม่ได้ยงไงก็วัดเราไม่มีเสือวัดท่านจันมีตั้งเก้าตั้งสิบตัวพวกสัตว์เต็มอยู่ในวัดของเราแต่นั้นไม่มี เราสู้ท่านไม่ได้เนี่ยนิสัยวาสนาไปคนละแบบท่า น, นเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาสัตว์เขาเข้ากันได้กับเราที่ไนที่มีวัดนั่นใน ล, ลยกลายเป็นวัดสัตว์วัดเสือไปหมดเราก็ขอใจเพราะเราเมตตาสัตว์อยู่แล้วนั่นแหละวัดหนึ่งที่ที่เราที่เรารับแล้วต้องเป็นภาระไปที่ไหนที่ไหนเขาถวายทั้งนั้นถวายที่เต่เราไม่เอา เพราะว่าเป็นภาระรับวัดป่าต้องเป็นป่าต้องเป็นพระป่าปฏิบัติกรรมลับกรรมลับวิญญาไม่ใช่หรารับไปแล้วมันอยู่ไปกินไปอย่างนั้นไม่ได้นะเราจึงต้องทำอย่างนั้น ที่นี่มันดูมันเย้ะที่มันกว้างมันก็ันเยร้อยกว่าไร่ละมั้งฮะดูมันยาวไปทระทังมันแล้วก็ดูไม่รู้กี่ตลบทบทวนได้แหละดูแต่มันลดูดูสุดสุดแดงทหมดที่อาจารย์เจียมมาที่นี่ก็ดีอย่าง นิสัยของท่านเป็นนิสัยท่าทียุ่งหยิงห่อทองนะภายในท่านดีไปคุยธรรมะธรรมูมมกันเจะพ้อยแล้วแต่ที่อภายนอกก็ยังที่เคยพูดเป็นนิสั ย, ย, ยขึ้นบงเบงบงเบงแต่เมื่อเราเข้าถึงกันแล้วมันก็รู้ภายในกันเองคนเรา <c oughs> ท่านอาจารย์เจียกับเราโอ้ยสนิทกันมานานนะตั้งแต่อยู่สกุลนคร อ, อยู่หลวงปู่มัน่นโนะ จากนั้นก็เลื่อยมาเลย <c oughs> ท่านก็เคยมาจำมรรษาที่วัดป่าวันกาศปี504นั้นปีเดียวปู่กุติหลังนี้ละ504ปุติแล้วนั้นเขา <c oughs> ส่งเงินไปนั่นน่ะส่งไปยจงจกองเทพ <c oughs> เหตุที่เขาจะส่งไปก็คือกระต๊อบเราอยู่นั่นมันพังไปแล้วสองสามหลังคือ กุฏินี่ยมันเสาต้นเสามันเท่าแข้งเนี่ยนะเอาไม้ตายตัดมาขึ้นทำถูงแค่นี้อยู่ทีนี้พอมันแห้งตัวก็กัดกินหมดไอ้ที่ต้นเสาพังพอมันแห้งแล้วพวกก็จินหมดกินหมดแล้วพังสามหลังแหลนะพังไปสามหลังภูกวันเดียวเสร็จพุฏิแต่ละหลังอะไร ต้นเหตุก็คือที่เจ็กเป็นกุฏิหลังนี้ขึ้นมาก็ามีโยมไปจากกรุงเทพนี่แหละก็ลูกที่ลูกหาละไป <c oughs> เขาไปทอดกัดถิงที่วัดนั่นไปแล้วเราก็อยู่ที่ศาลาน้อยรับแขกน้อแล้วพระท่านก็เดินมาที่นั่น <c oughs> เขาก็เดินเข้าไปไหนกุฏิท่านอาจารย์หลังไหนว่างัน อยู่ที่ไหนวะนี่แล้วเฮ้ฮฮอเฮ้อเขาเลยเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาก็ดูแล้วฮ้อเลยขอให้ฟาสันเปิดประตูเข้าไปดูเปิดประตูเพราะมันกุฏิสูงแค่นี้ต้องสูงแค่นี้นะมั่งแล้วก็มีแค่อยู่ข้างล่างอีกที่นั่งอย่างนี้ออกจากนั่งเป็นทางอยู่กรมรูม้ไหมสองเมษท่าสิบมนทนสองเมษนทน่าสิบในห้อ ง, องเรา พื้นมันเป็นไม้ไผ่มาสับเป็นฟากตู <c oughs> ข้างนอกก็แ้มด้วยฟางข้างบนก็หญ้าหญ้าคาแล้วอยู่้เย็นใจสบายใจตลอดมา <c oughs> พะว่าเขาเขาถามเพราะว่าอยู่หลังหลังนี่นะไหนไ ๆ, ๆดูหนดะ้เขาขอให้ท่านเปิดประตูให้ดู เขาคลานขึ้นไปนะเนะี่ยคลานขึ้นไปแค่แ เ, เล็กๆที่เฉลียงนั่นอะ่ะคาไปดูเปิดดูบทปูเป็นร้องไห้อยู่นั่น <c oughs> เปิดดูแล้วร้องไห้เนี่ยก็ไม่มีอะไรในนั้นนี่จะเสือกหมอนแล้วก็มีหนังสือเสียไว้ข้างบนหนังสือสมัครเราทำแค่เล็กๆเอาไว้ข้างบนนองนั้นไม่มีอะไร พระกำลงเล่าให้ฟังตอนที่เขาไปดูทั้งดูทั้งร้องไห้เขาไม่พูดว่าอะไรล่ะทั้งดูทั้งร้องไห้พระท่าก็ยืนดูอู่ไกล <c oughs> พอกลับมาถึงเราไปถึงกุฏิเอาไปถึงศาลา <c oughs> ไปก็ไปเข้ามา ใ, ใกล้ๆ้วกราบร้องไห้ที่นีเอาละที่นี่นะ <c oughs> ขึ้นไปเป็นยังไงท่านอาจารย์ขึ้นได้เอะไรทั้งร้องไห้นี ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยเลยว่ามาดูกุฏิแล้วหลังเท่ากำปั้นเนี่ยเพราะว่าท่านอยู่ได้ยังไงหัวอ้าวยังไงเนี่ยอ้าวเรอยู่ในท้องแม่มักเก้าเดือนสิบเดือนท้องแม่เป็นยังไงก็บุติหลังนี้ทําไมอยู่ได้บ่กุฏิหลังนี้ยืนเดินนั่งนอนได้สบายๆเนั่ยว่าแคบอยู่เลยรึเปล่าถ้าจะให้กว้างกว่านี้ก็ไปสร้างทุ่งอยุทยานที่อย่างกว้าีไย เหมือนนี้ก็มาะสมเอาอีกแล้วเดี๋ยวร้ อ, องให้นั่นแหะต้นเหตุเราพูดยอย่อๆทั้งพอกลับไปถึงส่งเงินมาเลยที่นี้ไม่มีข้อแม้ <c oughs> เขาส่งเงินมานั่นแหะเป็นเหตุให้สร้างกุฏิทั้งนั้นขึ้นมา <c oughs> ดังนั้นมาเราก็กำชับเลยย่าส่งเงินมาเป็นการบีบบังคับอย่างนี้ไม่ได้สอบไปไหรออันนี้เราไม่ไม่ได้บอกไว้เราก็รับ <c oughs> ถ้าตอ น, นี้ต่อไปถ้าใครส่งเงินมามีข้อระบุอย่างนั้นนี้ถ้ายังไม่ตกลงกันถ้ามาม่ให้ส่งมาแล้วบอกมันเป็นข้อผูกมัด ก, กัน <c oughs> นั่นแหละเรื่องราวที่กุฏิเราได้ขึ้นมาตั้งแต่บันนั้น ท, นที่เขาจะมาขอสร้างใหม่แตกผลผลที่แตกจะเอากันใหญ่เลยลูกศิษย์กับอาจารย์ซาดกันเลย <c oughs> ตั้งแต่นั้นมาเงียบนะ ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มาไมาอีกแหละเขาเขาพิจิตรว่าเราชวนตายแล้วแหละคงว่างนั่นสร้างไว้สร้างก็จะตายอยู่แล้วเราก็ไม่สนใจเพราะเราก็ว่าเราก็ชวนตายอยู่แล้วเหมือนกันอยู่อะไรที่ไหนไปได้ดอนนั้นเราอยู่ด้วยธรรมเป็นางนั้นนะสบายหมดถ้าอยู่ด้วยธรรมถ้าอยู่ด้วยกิเลสไม่สบายยุ่งไปหมดไม่มีเมืองพอ เอาไปสร้างหอปราสาทไปแข่งเมืองสวรรค์ก็ยังไม่พอยังจะเอาไปแข่งเมืองพมทธโลกอีกไม่พอ<ม>นั่นนะเรื่องของโลกมันพอมเมื่อไหรที่คนยุ่งเหยิงวุ่นวายด้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความทะเยอทะยานความหิหวโหยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอิ่มพอมันจึงพลาดได้พลาดิ่งตลอดทีนี้ก็สร้างความทุกข์ภายในใ จ, ใจิตใจโดยไม่เห็นทุก ของความทุกข์ภายในใจเกิดเพราะอะไรเลยนั่น <c oughs> มันจึนยุ่งกันเป็นเรื่องอ่านเรื่องทำแล้วเริ่มกันตีจิตที่เคยว่าบุญลุด ม, มัวตีข้าในวงสมาธิภาวนาให้มีความสงบเย็นใจค <c oughs> ือจิตนี่มันจะแสดงรีเดชของมันตลอดด้วยอำนาจของกิตเดชความอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นเต็มในหัวใจยากตลอดเวลาตาบับอยากเห็นนั้นอยากฟังนี่ ทุกสิ่งทุกอย่างความอยากคิดนี่ตลอดคิดนั่นที่นี่เลนี่เป็นเรื่องของทิ่เลส <c oughs> มันควรใจทีนี้พอไต่กระร่องเข้ามาด้วยที่กะพรวานาเนื่องจากว่าการระงับทิ่เลสดับที่เลไม่มีอะไรเหนือธรรมธรรมคือที่กระพรวานาเป็นจําปันพอเอาจิตต่อลงไปตรงนั้นพ้าติต่อลงไปที่ลงฝึนลงไฟเขาไม่หัวใจสั่นโลกคือที่หัวใจ ขึ้เป็นที่เกิของเจตุลตัวเป็นดวงไปต่อลงไปตรงนั้นแล้วด้วยสติเ mm hmm. อาวิธีการท่านก็สอนไวียบร้อยไม่มีใครที่สอนถูกต้องแม่นยำสามในโลกศาสตร์นี้ไม่มีใครศาสนาใดที่จะสอนให้ถูกติเป็นน้ําดับไฟ <c oughs> เหมือนศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่พอพอจิตต่อไปนีสติต่อมานั้น ความคิดความปรุงหลาบังคับไม่ไมิดเพราะ ม, มันบุ่นอนะไรบังคับไม่ให้บุญนั้นให้ชิดความคิดนี้เป็นธรรมเช่นคิดพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นเป็นเครื่องกำกับใจเรียกว่าคําบริกรรมให้ชิดอยู่ที่นี่สติอยู่ที่นี่ไม่ชิดอย่างอางคิดนี้เป็นธรรมคิดมากเท่าไรอะไรนยิ่งเป็นน้ําดับไฟน้ําดับไฟสงบลงสงบลงกา ร, ก ร, กรคิดงลงไปเลเหมือนสายเชื่อไฟเข้าสู่ไฟ ที่ไม่อยู่ไม่ถอยเราจะาก็นั่งนอนไม่หลับนักคนนั้นเป็นบ้าไปเลยพวกมีเพราะวความจิตที <c oughs> นี้พอระงับจิตนี้ลงไปจิตสงบพอจิตสงบลงไปมันสบายความสบายของจิตที่สงบกับความสบายเพราะสิ่งเพราะมีสิ่งนั่นใดสิ่งนี้ผิดกันคนละโลกนะมันจะมีความสงบเย็นดูดหึง <c oughs> ภายในใจ นี่เริ่มเห็นแล้วนะ <c oughs> เริ่มเห็นความสงบร่มเย็นเริ่มเห็นความแปลกประหลาดขึ้นที่ใจของเราเพราะอํานาจของการอบรมจิคือจิตตภาวนาสงบเย็นเข้าเย็นเข้าที่นีความเย็นความสงบวันนี้เราไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็น <c oughs> เห็นแต่สิ่งอื่นซุขกระซุกกับ ส, สิ่งนั้นสิ่งนี้ประเยียวปรดาวพังไปพังไปอันนั้นมีมาอันนี้พังไปม้นกันอยู่นี้ ไม่มีเวลาหยุดยั้งแต่พอสงบปั๊บเข้าไปนี่มันทําให้จิตใจเย็นดันทรความหมุนที่อยู่ที่่มันก่อนไม่หมุนเย็นนานได้หลักแล้วเวละที่วายน้ำดับไฟ่แต่นั่งพอรู้นี่แล้วมันจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นเข้าไป <c oughs> แื้วมั่นใจเข้าไปเรื่อยๆดูดยืมไปเรื่อยต่อไปก็เป็นอจาาัจฉรศรัทธา อีกไม่หวั่นไม่ไหวในความเชื่อในความเชื่อธรรมต่างหลายแลหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปทีนี้จิตใจก็ค่อยสง่างามขึ้นมาความสง่างามของใจผิดกับความสง่างามของสมมูิในแดนโลกธาตุเป็นอไรอีกแยะความสว่างสวายพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ไม่ได้ท่านมันต่างกันอย่างนั้นมันเป็นอยู่ในผู้รู้ผู้เห็นผู้บำเพ็ญนั่นแหละทีนีจิตมันก็ดูดดื่อยู่นี่แหละที่ขึ้นของใจ นี่คือเรือนใจทีนี้มันจะปล่อยเข้ามาหมดอะไรยุง่งจะมากน้อยมันจะโหดเข้ามาโหดเข้ามามาเกาะในจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่ร่มเย็นจุดนี้เป็นจุดที่ตายใจได้สงบตลอดเวลาเย็นสบายเลยทิ่งโ น, น่นถอนเข้ามาถอนออกมามันนักเป็นเองเพราะไม่มีรสชาติอะไรที่เหนือรสชาติของธรรมไปได้เย็นก็เย็นก็หนูนก็ไปเรือที่นี่ก็ยิ่งแดง <c oughs> ความแปลกปหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาขึ้นมา นเเี่แล้วสุดท้ายถ้าหมมวลลงมาได้ความทุกในแดนโลกธาตุไม่มีอะไรทรุกยิ่งหัวใจทุกหัวใจพินที่เป็นที่รวมทุกข้งหลายเป็นโลกธาตุนะั่นสิ่งนั้นไม่ใช่กองทุกหัวใจที่ไปยุ่งเขาเขาจะหากเป็นกองทุกนั่นะพอถอนจิตที่ไปยุ่งกข่เขามาแล้วก็สงบตัวอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมมีความสงบเย็นเย็นนี่มันก็เย็นเข้ามาเย็นเข้ามาแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามา ตัวองก็มากก็คือความยึดมั่นถึงมั่นเป็นภาระอนะันหนักตัวไว้ภาระอนะันหนักก็มาใจก็เบาอยู่กับคำเบาเงีดินสบายสบายตั <c oughs> ้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำรัตัวอยู่ตลอดเวลายิ่งพ่านเป็นนักปฏิบัติโดยแล้วไม่ควรถ่างเหินจากวิจารภานาสติปัญญาติดแนบอยู่กับใจ <c oughs> อิยาบทใดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไม่ควรปัดผิจากสติ ให้สติอยู่กับจิทําการทํางานก็เป็นการเป็นงานภายนอกก็รู้ว่านอกแต่ตัวไม่เผอไปก็ไม่เสียงานเหล่านั้นปนทําให้เสียได้เป็นความกังวลกับจิตแต่ภาวนาเราต้องระมัดระวั ง, วงถ้าว่าเป็นความจําเป็นตามโลกของสารเอาเขาทาแต่ความจําเป็นที่จะรักษาตัวตลอดเวลาด้วยสติปัญญาต้องมีเป็นประจัำนั่ถึงเรียกว่ันะภาวนา อันี้จิตใจก็ยิ่งสง่างามสง่างามไม่ไม่ไมเน้นิยมสถานที่อันใดที่อยู่เป็นยังไงนะพอทําได้ปรากฏนี่เรียกว่าเลื่อนใจพอปรากฏไปขึ้นมาในใจแล้วอยู่นั้นอยู่ได้หมดอื <c oughs> พอใจปรากฏทาปรากฏขึ้นจีตใจแล้วอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้หมดนะเพราะอันนี้เลิศแล้วหายกังวลกับสถานที่ที่อาศัยอะไรปัจจัยทุก อ, อย่างที่อาศัยแต่ก่อนไปหนักในทิ่นั่นหนักนี่เบาขึ้นมาหมด อันนี้เลื่อนเรื่ย เ, เ, เสริมไม่ขึ้นไปเสริมไม่ขึ้นไปก็กระจางแจ้งขึ้น <c oughs> นี่แหีะจิตสว่างไปอย่างนั้นเพียงขั้นสมถะหรือสมาธิชนนี้ก็พออยู่พอจริงอยู่ที่มีความสงบแล้วอยู่ที่ไหนสงบสบายสบายนะ <c oughs> นี่เป็นเรือนใจประเพทหนึขั้ น, น, น <c oughs> พอจากนนั้นนะั้น นั้แลกออกทางด้านมีปรัชนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกแล้วแยกขั้วแดนโลกธาตุให้รู้เห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นแล้วปล่อยเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเห็นตามเป็นจริงตามเป็นจริงเข้าสิงจิตจิเป็นผู้หมายมั่นปัรเมืองในสิ่งนั้นสิ่งนี้สัารพอจิตรู้แล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามายิ่งทุ่มยิ่งเย็นอยู่ที่ไหนยิ่งสบายมันสบายอยู่ที่ใจ ไม่สบายอยู่ที่อิดที่ปูนที่หินที่สายที่ก่อนั่นรูรุ่งระาผู้ผู้หัวฟาเน่ะมันสบายที่ใจทุกอยู่ที่ใจถ้าทุกอยู่ที่ใจก็เหมือนคนไข้คนไข่นักเอาไปโรงพยาบาลขี่ชั้นก็ออกไปแต่ควนคางอยู่ข้างบนร้องอือๆเหมือนเสือถูกปืนเพราะทุกอยู่ที่คนไข้ขึ้นไปชั้นไหนมันก็ทุกไปอยู่ที่คนไข้ไปควนคางอยู่ที่นั่นที่นั่นพอหาย จากไข่แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายคนไทยอันนี้จิตของเราที่เด็ดเสียดแทงหัวใจบีบบี้หีไฟอยู่ัอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายพอจิตใ จ, จ <c oughs> หายจากโรคคือกิเด็ทั้งหลายเข้าไปโดยำลำดับได้อยู่ที่ไหนสบายสบายนี่ก็ขั้นสมาธิสบายแล้วนะอยู่ที่ไหนสบาย <c oughs> ไม่ได้กำหนดว่าที่ดันที่นี่ขอให้ติดจิตสติอยู่กับใจ เป็นความสบาดสะดวกสบายตลอดเวลาพอถึงขั้นปัญญาแล้วเบิกกว้างออกแยกชาตดแยก ข, นนยขนยันแยกเขาแยกเราทั่วแด่นลูกประทาตั้งแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในตลอดทั่วถึงเปิดโลกแล้วเปิดออกบทเลยเมื่อรู้เท่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเปิดหมดข้างนอกก็โล่งข้างในก็โล่งคือหัวใจก็โล่ง สิ่งอาการอาการของใจก็โล่งหนีโล่งไปหมดใจก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทุกปล่อยวางไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยนั่นคือเมืองเลิศ <c oughs> เลิศอยู่นั้นที่พระเจ้าบรรลุมรรคผลยพภาสัจฉลูสัจฉลุธรรมอันนี้เองใจดวงนี้ที่นี่เลิศเลอสอนโลกมาทุกวันนี้ก็คือใจประพุทธเจ้าที่เป็นใจเลิศเลอแล้วสอนโลกก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อย บรรดาภาษาวกทั้งหลายที่เป็นสารละังคาฉานี้พวกเราก็เหมือนกันสอนลงไปส อ, อนลงไปก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วโดยลำดับลำดางั้นทำใจใจถ้าปฏิบัติตามธรรมของผู้เจ้าแล้วเรือนใจไม่ต้องหาที่ไหนหาได้ทุกคนไม่มัาหญิงชายนัก บ, บาวชคาราว่าถ้าหาหาถูกทางเนัมที่พู้เจ้าสอนนี่เป็นที่พักผ่อนอนใจ เป็นเรือนใจเป็นที่พึ่งเป็นมื่งตายของใจได้แก่บุญกุศลสินทานต่างๆรวมตัวเข้ามาหาจิตตะพวนาจิตตะพวนาที่เป็นธรรมนบใหญ่การให้ทานน่าทานมามากมาน้อยก็เหมือนแม่น้ำที่ไหลมาจากที่ต่างๆเข้ามาสู่ธรรมโนรักษาศินมีมากมีน้อยเหมือนน้าที่ไหลเข้ามาสู่ธรรมโนใหญ่ธรรมนนใหญ่ได้แก่จิตตะพวนาจิตตะพวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลาย หลวงก็มานีิสมาเจ้าอยู่ที่ใจเ <c oughs> จ้าที่ใจพระรพ้อแล้วก็เผึงเลยตัด <c oughs> ท่านนิยู่ที่อยู่ที่อะไรที่ไหนท่านอยู่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าได้ความสะดวกสบาย <c oughs> ตามป่าตามเขาลูกขมูลล้อมไม้จึ่นี่สอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้อยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ <c oughs> <c oughs> ตลอดปา่าโจกท้าตัวหวานท่ามานวิเศษวิโส์ ตามสถานที่นั่นที่นี่ที่โลกเขาอยู่กันโลกที่มีที่เล็กอยู่กันร้อนทั้งนั้นไปอยู่ที่ไหนร้อนหมดแต่แตอนจิตที่มีทําในใจแล้วเย็นไปเย็นไปจิตหมดที่เดกโดยสิ้นเชิง อ, อยู่ไหนได้ทั้งนั้นเป็นก็สบายตายก็สบายไม่เป็นกังวลทั้งความเป็นอยู่ทั้งความตายไปเพราะมีน้ําหนักเท่ากันเพียงธาตขันจะลายไปก็เป็นส่วนผสมสลายไปก็เป็นเป็นธาตุเดิมของเขาจิตก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย รอบตัวพอทุกอย่างแล้วปล่อยโวยสิ้นเชิงนะนั่นนั่นแหละที่อยู่ของจิตที่เลิกยิ่งอยู่ที่จิตนะ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ไหนจะพากันดิ้นบ้าเลยเกินไปอะไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอมันจะพอแต่ที่เหลือพาสร้างสร้างความหิวโยโงนกวายเพิ่มขึ้นโดยลำดับที่จะให้ที่เหลือพาอิ่มพอในสิ่งหลายไม่มีทางอืมทําเท่านั้นพาให้อิ่มพอโดยลำดับดําดาบ <c oughs> นี่เราก็พูดถึงเรื่องการเกราะการสร้างของพระเราพระพุทธเจ้าให้ ก, รรก่อสร้างนังไงให้สร้างศีลสมาธิปัญญา <c oughs> นี่อยู่ในใจในใจในใจเรานั่นอาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยนี่สภาพของมันเหล่านี้กับร่างกายของเรามันต่างกันยังไง ร, ร่างกายของเราทีอีกมที่โสดภกมากสุดๆอันนี้ไม่โสดภะเท่าร่างกายของเราก็อยู่กันไป ว่างลงในระดับให้พอดีกันสิ่งอนี้คือเป็นสภาพนี้ร่างกายเป็นอยู่วัวันในวันวันแต่สร้างธรรมขึ้นปัญญาใจให้เป็นของเลิศเลอขึ้นไปัญญจิตใจอยู่ไหนสบายหมดนะอยู่ในป่าในเขาลงไทยอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนสบายหมดคนมีธรรมถ้าคนไม่มีธรรมเอาไปไปที่ไหนมันก็ไปร้องควงคางอยู่เหมือนเอาคนไข้ขึ้นไปโรงพยาบาลชั้นุกสูงแล้วไปควนคางอยู่ฝากจรวดหนึ่ง เพราะทุกอยู่ที่หัวใจทุกอยู่ที่คนไข้นั่นพากันจนะํานละนี่ว่าจะไม่พูดอะไรมันก็ไปอีกแล้วเนี่ยมาหาเดินพูดกันอย่างพากเราพากันตั้งออกตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ก็มาถ่านจะไม่เหนือแล้วนะถูกทิเด็ดตันหาคืนไปหมดคื่นไปหมดสู่ท้ า, พายพระากันกันก็เป็นยากเป็นมารทาลายศาสนาของตัวเองทําลายพวกเดียวกันให้เหลือไปหมดในเพศของพระมันนา่าอิด ละอายโลกเขาไม่ละเวลานี้กําลังสร้างอยูไ่ไอ้กรุงสยามเราเนี่ยอืมเอาอฟืนเอาไฟเผาไหม้กันจะเอาให้ไม่มีเหลือชาติสนาพระมกษัตริย์จะไม่มีเหลือเวลานี้กอ ง, งอฟืนเอาไฟอันใหญ่โตนี้กําลังตั้งขึ้นเผาทุกแห่งทุ ก, ทกหนเลยอุ้ยน่าตูดเลนะแมมจิตใจทต่อมาถึงดํามารัางหนามนุษย์เราทั้งทั้งจิตมนุษย์เอาผ้าเหลืองมาคล้องด้วยนะ เลี้ยวข้างไหนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไม้ส่วเองย่ยคู่ให้เดือดร้อนไปหมดมันน่าทุเล่นะเอาละพูดท่านั้นพ อ, อพูดแล้วพูมา โ, โอ้ไหนที่ไหนว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดจนตายน้ำไหลไหลนะนะนะต้ังทานตั้ถ้าบ่ายเย็นๆแล้วฉันนอนไม่หลับนะ ต, ตอนเช้ามาันเป็นไรป้าแม่ผู้จาร์อยู่ที่น้องผือทางเชียงใหม่เขาเรียกหนันยืนคนนั้นก็เคยบวชสืบไปเขาเรียกหนันหนี้นั้นยืนก็นนนเาเคารพเรื่องใหญ่ปแม่ผู้จาร์มั่นจะมาอยูชียงใหม่เวลาท่านมาอยู่ท่านทุกคนนครเขาก็ส่งช้าช้าเมี่ยงมะ <c oughs> ล้ำอย่างดีหอมมาให้เป็นประจำกะจําไม่ให้ขาดเลยนะหอมนี่เราต้องได้สร้างบด้วครับชาไม่ว่าชาจี๋ไม่ว่าชาเนี่ยฉันแด้แก้งม่วงได้ออแก้ห่วงได้ด้วยกันเดี๋ยววันไหนที่วันนี้จะเล่คนควาเปียบให้หนักเราเราก็ต้องต้องขึ้นไปหาพ่อแม่ผู้ใจมัน่นท่านคงจะดูดูตับเรา เราขึ้นไปแบบควายตัวหนึ่งเดินสะเปะสะปะหิ้วชาเราขึ้นไปพอกาบก็น้ำเอามันบอนัง่งดีไหมชันชานะเป็นว่าดีชาแล้วท่านก็รู้ชันชานะดีมไม่ง่วงตัวนั่งคนเราก็จะไปแจ้งง่วงด้วยการช า, ชาเมี่ยงกับท่านพอขึ้นไปกาบท่านเลยเอ้าชันชานะ มีแกงม่วงดีนะครับทันตีหัวตับเราเล็กก็เราจะเป็นฉันชาที่พวกแกงม่วงวันนี้จะแล่นความเปลี่ยนไม้ความม่วงมากวนปวาหมายบางอะไรพอขึ้นปไปถามมาพักฉันชาเนี่ยแกงม่วงนะี้นะสนี่ความจริงคือท่านตีแล้วนะั่นน่ะท่านดูแล้วนั่นะละ่ะถ้าวันไหนฉันชาแล้วไม่ม่วงนะชาตีนก็นดูชาชาเมี่ยงก็เหมือนกันไม่ม่วงนะ นานๆเพิ่งเดียวจำได้เหมืนไปทีหนะึ่งไปจานชาเขาไวตอนสมาธิเนมันมักง่วงสมาธิคือสงบแล้วมันมกง่วงหยุดสบายสบา ย, สบายกับความง่วงมีอยู่ในกันนะจิตสง บ, สบนอนได้ง่ายหลับได้ง่ายสบายอยู่ที่ไหนง่ายสบายถ้าจิตเป็นขั้นปัญญายแล้วโอ้หไม่ได้นะอืม คือก <c oughs> ้าวขั้นปัญญาแล้ว่าในหลับได้นอนง่ายๆนักบางคับให้นอนก็ไม่นอนแต่ น, นั่นมัต้องเอาชามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นชาต้องเป็นชาให้หง่วงว่างั้นเดีมันไม่ง่วงมันไม่มีเลยก้าวถึงขั้นปัญญาปัญญาแล้วจะไม่ง่วงหมุนติว่อยเรื่อยกลางคืน แบบเดียวกันจำบ้านแบบเดียวกันความง่วงไม่สร้างหายหน้าแบบมีแหมุนติ้วอันนั้นไม่นต้องอะไรมันแก่ะได้ล้างเอาไว้ความเพียรต้องล้างคำว่าล้างมันเลยเถอดไม่ล้างมันเลยเถิดปัญหาคำนี้ด้านปัญญาเหมือนไฟได้ชื่อเผาไหม้ไปยิ่ยิ่งวิริยเหมือนเชื่อไฟปัญญาเหมือนไฟหมุนเผากันไปเผากันไปเป็นธรรมชาติของตัวอยู่ ถ้าคณนยังไม่มีม่วงกันสมาธิมาไม่วงไอ้พาะาไอ้ฟังเงียพูดเล้วนี้ถอดแล้วมาจากหัวใจเวทีคือใจมาหมดแล้วมาพูดให้ฟังให้น้ำไปปฏิบัติ ถ้ามึงกู้มาว่าไรเนี่ยฮะอยู่ที่วัดพระศิวะไเลย อ, อ๋อเรื่องว่าไปเมืองนอกเมนองนาขงเขาพระทุดงก็มาช้านะเดี๋ยวนี้มักไปเมืองนอกเมืง <c oughs> องนั่นเมืองนี้ <c oughs> บางราก็จะไปอะไรพิชพระไตรปิฎกนึว่าใช่ไหมละ่ะครับ ที่เมือนอกมองนาจะไปพลิกพระใจวิโดใหม่ไปพอไปแล้วก็เอาทำเจ้าของเอาไปไปไปเปิดพิโดใหม่ซึ่งทุกที่โน้นแล้วพิโดเก่าทั้งนี้มันก็มีอยู่โน้นแล้วเทศของลุงตานี้เขาฟังกันทั่วประเทศสหรัฐพอประเทศต่าง น, นกับทรั้งนี้มันก็ขัดกันขัดกันเขาก็ถามมาถามมาสุดท้ายเออผลิกพระใจพิโดใหม่และหายเหีายไปเลยพระใจพิโอเก่าเลย หนีตลอดยิ่งกว้างขวางแล้วทุกวันนี้เขาฟัง อ, อินเทอร์เน็ตด้วยยิ่งกว้างขวางก็คือ พ, พริกประดาษเดียว ใ, ใหม่ได้หายเนี่ยไปเนี่ยนี่มันตายแล้วกมไมู่้เราพูดไปพริกประดาษเดียว้ราก็หาดูแล้วอยากกุชตราก็ไปกุชตรากยากได้กล้วยหอมกล้วยไข่ต้มกุชตราก็ไปตายหรือยัง ไ, ไม่รู้ แดี๋ยอวเนื้ออัวตัวไม่มีความดีอ้วนท่าไรก็มีแต่ความเลวทำดีแต่ท่านไม่ไออ้วนท่านไม่อ้วนเฉยทามาไม่มีกับมีดันสมควรหนักเบามากน้อยเพียงไรที่จะออกออกไปต่างแง่ที่เห็นต้องกวนตองอ้วทำไมสงวนเงียบเลยไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนคาไปยังไง ถ้ารุ่งควรจะออกมาน้อยก็ออกเองถ้ารุ่งควรที่จะทุ่มมันก็ออกเองึงเหนื่อยได้เป็นอย่างนั้นนานไปนักมากะเขานี่มันกวนเนี่ยมันไม่สังเทศฟังธรรมตลอดนะเราต้องฟังมันฟังเสียงมันที่มันว่ามันน่าปวดก็ต้องยืดขาออกเสียเพื่อเบาใจ อันนี้วันวันเวลาห้าโมงที่มือจามที่ฝ้าหญิงจะเดชใช่ไหมครับผมวันนี้ก็มาประชุมครับผมฮะวันนี้ก็มาประชุมกันครับผมท่านมาเยอะคํานักคํานักราชวังนะครับผมอมาประชุมแล้วก็มาแจ้งเรื่องการเสด็จนะครับผมเออการเสด็จเสด็จประมาณห้าโมงกว่ากว่านะครับผมโอ้แล้วที่ว่าเราว่า มีเราเทศด้วยอยู่แล้วมีครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครับผ ม, มทุ่มตาเทศอประมาณหนึ่งทุ่มแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากเสด็จกลับแล้วครับเวลาไหนก็ก็เทศหลังจากนั้นสมควรไม่ก็เสร็จเสร็จมาทอดทอดผ้าบางสกุลด้วยแล้วก็อ่าพระราชาทานเพลิอองงานครับผมท่านลง หลวงปู่จริงๆนะหลวงกับหลวงตาท่านหลวงมากทีเดียวท่านถือเป็นแบบคือท่านถวายตัวเปลูกหุ่นคำสวายองค์ลูกหุ่นคทั้งการมาแล้วมาหาเรานีเหมือนพ่อกับลูกนะเวลจาจะพอดที่อยู่ประเทศสนามหลวงงานเทศสนามหลวงงานท่าป่าสนามหลวงเพราะว่านั่นมาโค้ง ภาพก็คือนายกเรือองตีและคณะละทุนตีก็มาศาสนาก็คือพระเต็มไปหมดในสนามหลวงวันนั้นพระมหากษัตริย์ก็หมายถึงพระยิ่มาครบหมดนั้นเราก็เทศเรายังจําได้ชั่วโมงยี่สามแลครับเทศท่านจะประทับนั่งจะจัดให้ท่านประทับที่ไหนท่านไปประทับคู่เดียวในเก้าอี้นะคู่เดียว พอเราขึ้นธรรมะปั๊บท่านปุ๊บมันทุกที่ไปที่ไหนเหมือนกันมาปั้ในใกล้ๆเนวันที่เทสโฉนำ้ำหลวงประมรันกันวันนั้นก็ต้องถวายทองด้วยนะพอเทสโฉงแล้วสั้นนวนลงไปถวายอะไรบ้างแล้วมีทองด้วยเราเราก็ลงจากธรรมะลงไปไปยังไงละ่ะถึงก็มองลูกบางเช่แล้วไปยังไงวะ อ๋อท่านพ่อเทพดีมีตลกด้วยขบ <c oughs> ขันนะี่ล่ะท่านพ่อเทพดีมีตลกด้วยเรามันทางมีงนั่นละ่ะท่านตลัดมีตลกด้วย <c oughs> แต่สาคัญที่ท่านเน้นอันหนึง่งคือว่าฟังเทพหลวงพ่อในวันนั้นละ่ะโหยกายหายหมดเลยวะจิตฟังแล้วมันเพลินเพลินเพลิน พอเทศนี้ติดต่อสื่อเนื่องโดยลำบากลำดานเหมือนว่ากล่อมท่านว่างนั้นนะจิตจะค่อยสงบลงเรืองนั้นแน่วเลยเหมือนไม่มีกายนู่นฟังสิวันนั้นนะเพราะนั้นท่านถึงท่านถึงติดท่านท่านท่านรับสั่งไปธรรมดาแล้วฟังเทศท่านพ่อแล้วรู้สึกมันอิ่มพอแล้วองค์อื่นองค์ใดที่ท่านทำไม่ได้ว่าอื่มพอ มันเลยจดจออยู่กับเทศท่านพ่อท่านก็แสดงว่าปัดผู้หหเหงานั้นไม่อยากฟังมันก็เหมือนโยมแม่และในโยมแม่ที่ว่าทางเทศเราจอนั้นคนก็นยังไม่ค่อยมากเวลามีแขกคนไปเราก็เข้าไปในครัวแต่เท่คือฝ่ายผู้หญิงมากก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงผู้ชายก็ติดตามเราไปดีข้านปัญญา <c oughs> เป็นผู้ตามอัดเทสนี่อันเวลาแจกคนไปแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาขอให้เรานิมนต์ให้เราไปวันในว่างแล้วขอให้นิมนต์อาจารย์มาเทศสอนโอเค้วแม่บ้างหรงงืออะไรคือถ้าทำโดยลำพังนี่นั่งภาวนานจนหลังมาจะหักมาติดมันก็ไม่ยอมลงอ่างนั้นแต่พอฟังเทศแล้วทุกกัน ไม่มีเล่นหรอกอะพอเริ่มเทศจิบต่อไปปั๊บนี่มันกล่อมกันลงไปสงบแน่วตลอดเลยฟังนี่สะดวกมากไม่เหมือนเจ้าของทําโดยลาพังเลจากนั้นมากระนั้นละแล้วทสฟังเทศอาจารย์แล้วไม่อยากฟังเทศไข่ตัว <c oughs> นี่นี่หไอแม่ลงลูกนะ <c oughs> นนเวลานี่แม่แม่หูสูงวะนะตัว นว่าแม่หูสูงทั้ง น, นี้ก็แย่ก็ไปที่แม่กับลูกเอระวังนัน่หูสูงจะมันจะเป็นหูหมานะวันระวังเลยโอยยี่เป็นหูว้าได <c oughs> ้หูกระโมันก็เป็นตรงที่สูงสู ง, สงนั่นแหละอะไรเรียบเลยนี <c oughs> ่พูดถึงว่าแม่ลงลูกก็คือโยมมารดาแล้วลงจริงจริ <c oughs> คือไม่ต้องบอกอกําเก่าเลยใน <c oughs> แม่กับลูกมาบวชจนเป็นขนาดยอมรับว่า เป็นอาจารย์นะแต่ก่อนมหาว่างั้นนะจะเรียกยังไงว่าท่านมาก็ไม่ใช่เรียกมหาแต่ก่อนทัานต่อมาก็เลยเรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์นั้นมาเป็นอาจารย์เต็มปากแล้วลงใจลงบอกว่าฟัางเทศอาจารย์เนี้นไม่อยากฟังเทศไขนะเลยจากนั้นเดีย๋ยวนี้แม่มหูสูงมันนะเราก็แหย่กันไปยี่เ แต่ว่างนะหูสูงมันเป็นหูหมานอะเราว่าขึ้นแกลกขึ้นมาแล้วเนหูหมาไรตอวหูคนนะผมมันจะเป็นตรงที่ชุ้งสูงนั่นแหละแล้ว่ะครบครันโอ้จิตใจหลับนะยศแม่ไปหลับเวลาจนจวนก็ไปแล้วไปเราไม่เคยไปนั่งพุฏิยศแม่กันนะไม่เคยเดินก็ไปไปหน้าพุฏิกุฏิเกียรติยาเอ่ะพี่นางจะดีอยู่ทุกวันเนี่ย เขาไปไปยืนไปยืนอยู่ข้างหน้าเพราะมีแต่ลูกจำไม่้แต่ถามเป็นยังไงล่ะยมแม่นาว <c oughs> มันดารหนาะนีะ่ชวนตัวเข้ามาแล้วนานีา่นะไม่นาน น, านั้นมองดูเนยียแล้วจิตใจเป็นยังไงโอ้จิตใจแม่สบายวาย่างเยอจิตใจสง่างามผอมใสตลอดนั่นเห็นไหมละ่ะเท่านั้นเราก็ทราบและถึงเวลาก็บอกรูกเลยแม่จะไม่พ้นวันนี้นะ มีแตกต่างเติบแปลกแล้วเดินเมืองแล้วบอกแปดโมงสีผ้านาถีก็ซิ่งลงเนี่ยไปอย่างนั้นแล้วก็บอกไว้เลยอืโยมแม่ไม่ต้องเป็นตังโมการตางโยมแม่เป็นภาราของอาชมาเองจะเป็นผู้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของโกทุ้งอย่างแล้วปัาช้าของโยมแม่นั่นนะอยู่ที่หน้าสล า, านะบอกไว้เลยนั่นแหละจะเผายมแม่ตรงที่หน้าศาลาตรงนั้น ไม่ไปเผาที่ไหนให้หายตังบุญทุกอย่างหนยูจะมาจะเป็นผู้รับภาระเป็นเจ้าภาพทั้งหมดให้ไปตายไปแบบกระ บ, บายนะักท่านั้นแหละแล้วเวลาอายุแม่เสียก็เป็นอย่างนั้นจริงก็ไปเผาที่นาสล่าเอาฟืนมากองเผาที่นั่เกกเททนเลยนี่ได้หลักยมแม่ได้หลักแน่นอน คนฟ้าหญิงรู้อยู่ว่าดีขึ้นเปน็นลำดับธรรมะเราทุกการที่ทุ ก, ท, กทุกขั้นของธรรมท่านได้ได้รับไปหมดท่านฟังหมดเนี่ยเวลาฟังไปแล้วก็ลงมาจุดสาคัญได้เหมือนกางเทสเป็นยังไงล่ะฟังเทสเทศกรรมต่างๆเทศกรรมไหนกั่ไหนสู้เทศสองผ้ามาได้แง่มาเทียง่านนะคือเทสสองผ้ามันเผ็ดร้อน มันทำม้าประเภทแจงม้อเลกหม่อผิวพุ่งพุ่งเลยท่านยังมาจับได้ใครบอกท่านเมื่อไหร่แค่กันได้ไห น, ไห น, ไห น, นามาหนันสู้เทศสอนพระไม่ได้ะเนี่เทศสอนพระมันมุ่งคุ่งพุ่ ง, งมีแต่ความล้วนล้วนล้ว น, วนพุ่งเลยที่ผู้ปฏิบททัติธรรมเข้าไปเมื่อจิจต้องเริ่มกแต่จะสงบไ ป, ปแล้วมันจะจับวันนี้ได้เลยแล้ว เนี่ยเขนานั่งนานตัวนีว่ปวขาต้องยืยเหยียบบางทีการทำงานไม่เสร็จต้องยืดเหยียบออกปวตรงหัวเข่าใช่ไหมครับผมปวเข่าเนี่ยก็ุ่เขาแต่มันรู้สึกว่ามันค่อยดีขึ้นพยายามค่อยค่อยดีขึ้นแต่ก่อนมากหนักมากกว่านี้ <laughs> เวลาจะลุกจะนั่งเนยอุ้ยลำบากเดีย๋ยวนี้ค่อยเบาลุกค่อยได้ง่ายได้ <clears throat> กำนดกำหนดจะย้ายหลวงปู่ไปที่เมนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเออเพราะว่าจะได้ไปเตรียมพร้อมทังนู้นนะครับผมออแล้วก็ไปตั้งสวดเป็นกุศลอยู่ที่เมนอยู่สองวันนะครับผมเออลยขออนุญาตหลวงตาทําไปตามนั้นนะครับผมแล้ว เ, เ, เดี๋ยวสมควรที่จะทําไงนะก็พูดจัด ก, การจางานนะ่ะ เป็นผู้เห็นต้องควรยังไงแล้วทําตามนั้นผมมันมีจะต้องย่องมาถ้ามาแบบเกินมากมาจะมาขู่ฟ้อออฟ้อหาความดีมาพูดไม่ดีมีมาจะขู่ฟ้อ่อ้นฟ้อแต่ก็แล้วแล้วแล้วจะว่ามันมีความดีก็ถูกถ้ามีความดีจะเอาคำผู่ฟ้อฟ้ามาขู่กันไปก็หาความดีมาพูดสีเข้าใจไหมล่ะนี่รู้สึกจะไม่ มีแต่ฟอฟอวันนั้นผมก็ต้องในค้างคืนที่นั่งเดลือค้างคืนครับผมออนิโมลุงตาค้างคืนแล้วก็เช้าเช้าตอนเก็บปฏิท่าเลยครับผ ม, มวันที่สองสามมามาวันที่สี่เสด็บอาทิตนะครับผม ตอนวันที่ยี่บสองหลวงตาอยากอยากนิมนต์หลวงตามาเทศเมตตาด้วยนะครับตอนระหว่างที่สวด น, นะครับผมฮะวันที่ยี่สิบสองนะครับผมเทศที่ไหนครับผมตอนกลางคืนนะครับผมจะมีญาติโยมมาบาเพ็ญกุศลนะครับผมโอ้ว่าอะไรคืนนั่หะแวันที่ยี่สามก็มาทีเดียวเป็นอะไรแล้วก็มาข้างที่นั่งเนี่ยครับผมแล้ววันที่ยี่สองก็มาก็มาข้างใน ว, วันที่ยี่สามข้างอยู่ข้างไปเรื่อย อเอาวันชุดีสามทีเดียวเลยครับผมอยู่มาในงานอเงี้ <c oughs> ยหลังแต่นั่ง <c oughs> แล้วกว็เท่เทแล้วก็ค้างคืนที่นั่นครับผมคืนเดียวก็พอดีอู่อ่ะเอาคุณเดียวนะครับผมดูว่าไม่เห็นมีอะไรจำเป็นเหนือนั่นไปนะ่ะเอาแค่นั่นพียง <c oughs> พูดเรื่องนี้เราเลรียกเปนพระชื่อบัวเหมือนเดานะโอ้ยมาถามนี่เข้ากันได้เพี้ยเลยนะนั่นเห็นไหมท่านอย่าลืมชาติทงท่านได้พระออนั้น <c oughs> ชื่อพระบัวท่านอยู่อบบุบลก่อนนั่นท่านกำลังเป็นหนุ่มเลยฟังเทศของอาจารย์อนลืมลแล้วอ้าวเนี่ยไม่น่าจะลืมก็ลืม คนบ้านตรงน้อยทางสามผงอาจารย์เสือ<ป>อาจารย์เสือไม่ไม่ใจเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลืมได้แหละมันลืมชั่วนะไปเทศทางนู่นนะ่ะไปทางอุบลเกิดความลืมสายเรยมากเอายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วขอบวชนะ <c oughs> แล้วก็มาบวชที่บวัวแล้วก็มาป่วอยู่ที่สามผง <c oughs> วัดสามผงอะ วันที่พ่อแม่คูอจารย์มั่นไปสร้างที่แรกพระสามองเอ้าอยากไปรุ้ได้ไหมไปเดี๋ยว <c oughs> หปเียวไปลุ้นได้ <c oughs> ทีนี้เวลาป่วย <c oughs> วันนั้น <c oughs> ในพรรษานั้นพระตายสามองค์ท่านองค์ใครไว้มีท่านมาลุกนา่าคนกันได้ อันนพอตายแล้วเอ๊มันแปลกผ่ะเขาไปเผาศพเรานี่เต็มเยอะแยะเราก็สะพายบาตแบกกดไปยืนดูอยู่ที่เขาเผาศพแถวนั้นแหละเราคนนี้แล้วดูศพเราที่เขาเผาอยู่นั่นนะท่านดูท่านคนไม่เห็นเลย น, นะผมนว่าเพราะว่าดูแล้วเออหนุ่ น, นตายอยู่นี่ เราตายัวอย่างนั้นแต่ยางมีเขาทงเอาสดอยู่แต่เรานี่ยังยืนแ บ, บกกดแนี่ยท่านรู้วลรกรูปๆว่าขนาดยืนแบบกดดูแต่นั่งกับไปกันบ้างนะพ <c oughs> ไปเมืโน่านที่พูดถึงเรื่องพวกพว ก, พวกโยมบาลโอ้ท่านเล่าละเอียดจะออกมากนะไปสาลาใหญ่ล้วหนึ่ง พอไปถึงชลาใหญ่หลังนั้นแล้ว <c oughs> ท่านก็กขึ้นชลาโดยที่เขาไมา่เห้นนิมนลตล์เลยแต่คนมากที่ชลา <c oughs> นี่เป็นเนรน่าจะเป็นเนรเล่าให้เราฟังที่วัดจุฬาว่าโอ๊อ้ที่วัดอั น, นเขาชบชแค่ล่ะเขาสุขที่วัดจุฬาว่าเราก็ยึ่งเป็นนิสัยนี้แล้วซักละเอียดเราอะไรนะคือเนรนี่มาอยากเล่าธรรมรา ถ้าพอเล่าเมื่อไรแล้วเป็นไข้ผมว่างนะัา้นเล่าอนี้ไม่ทีไรเป็นไข้ทุกทีเอานี้ไม่เป็นเ อ, เอาเล่าเลยทว่าบอกไม่เป็นแล้ว่าอันนี้ เ, เลยเล่าให้ฟังอย่างละเยอะอย่ <c oughs> างนั้นนะท่านก็ไปก็ไปขึ้นชลาใหญ่าละนึงคนเต็มชลาทนน่ะนี่ละท่า น, น, นเห็นได้ชัดอย่างที่ว่านี้นะไปคนเต็มชลาเอาพวก เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายตามฝ่ายนรกไหมหรือว่าพวกโยมบาลก็ได้เขามาจดชืเสียงอะไรอะไรแล้วก็มีผู้คอยกํากับพวกนี้เป็นเหมือนผู้จ้องหาโทษหนักโทษเบาต่างๆกันโทษหนักเหนื่อยนั่นผู้ควบคุมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยแล้วเขาเขาเรียกขื่อม า, ขาเขาเรียกขื่อมาแล้ว ก็ส่งให้ออกไปออกไปออกไปแล้วมีผู้ควบคุมควบคุมทั้งข้างหน้าข้างหลังไปเลยเป็นหลายวักหลายตอนนะ่ะกรรมของคนที่หนักมากอยู่กันมีลำลำดำับย่ดำดำังผู้ที่ทํากรรมหนักมากโอ้ยผู้ควบคุมก็สําคัญมากทีเดียวมองดูหน้าตัวหลังมันไปนี่จากนั้นไปก็โหมดไปหมดไปท่านก็ยุ่ง น, นดูอยู่ท่า บ, บอกท่านดนะทีนี้พอหมดไปเรียบร้อยแล้วยองเหลือแต่เจ้าน้าที่โอแล้วสมดุดอันนี้นะนสมุดคนจำนวนมากนะั้นคือเรีเ่อใหญ่ๆเต็มกองอยู่นี่นสมดุดคนที่ไปดีมีเลขเล็กน้อยอยู่นี่นะก็เห็นอยู่ที่โตเขาว่ามานี่อพอนั้นแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรกับเราเฉยๆ แต่นิมนตไปไหนมาไหนก็ไม่เราก็เลยก็เสร็จทุระแล้วก็ไปอะไรก็ต้องถามไปส่วนเห็นเราเรียกชื่อคนนั่นคนนี้ไปจนกระทั่งคนหมดชาลาแล้วส่วนนักธรรมเราไม่เห็นเรียกล่ะจะให้ไปทางไหนว่านี่น ะ, ะนักธรรมนักธรรมไม่เห็นเรียกเลยไปยังไงโอ้ท่านนี่ไม่ได้มีในโปรแกรมมานี้ไม่มีท่านไปได้ครับ ท, ทั้งไปสวรรค์ ไปไ ด, ได้ทั้งแดนมนุษย์อะไรนี่ถ้าท่านอยากจะไปไปทั้งแดนมนุษย์ให้ท่านไปทางนี้ถ้าเราไปสวรรค์แล้วก็ก็มีเออเออมันมีผู้หญิงสาะ น, าน้ำเออมีสาะนาำอยู่ข้างๆนี่ถ้าท่านจะไปสวรรค์คือมีผู้หญิง อ, อ, อยู่นี่แหละรถทิดมาเหาะลอยมาจากสนมมาลงฝากสระทางนู้นแล้วก็เชิญ โอ๊ยเขาพูดกับผู้หญิงคนนี้เคารพคุณแม่อย่างนั้นเนี่เคารพมากเหมือนลูกศิษย์พระเคารพเราผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่นแหละแล้วคุณแม่ไปเชิญไปะทังนี้ทั้งนี้แล้วรถจะมาเองพอคุณแม่แล้วคุณแม่จะแต่ง ต, ตัวไปนี่แบบไปนั่นละไปนั้นเปลือกจากนั้นแล้วเครื่องทิพย์จะมาเองก็ ล, ลงไปพอลงไปถึงริมสาเนี่น รถทิพย์ก็มาเหาะมาลงปุ๊บเลยภาคตะอน เ, เอาให้คุณแม่ว่ายน้ํานีไป่าน้เปลืองผ้าให้ออกเสียว่ายน้ามีไน้านีไม่ได้ว่ายากอะไรแหละเขาว่านนะอย่านี้นะมันไปมันถ้าเป็นลอยไปเองแหละ ว, ว่างันแล้วก็น้ําทิพย์พอไปถึงนูง้นเขาก็เตรียมเครื่องอะไรเครื่องแต่งตัวของแดนตะวันมานแต่งตัวให้ผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้ว เขาก็เชิญขึ้นรถโอ๊ยประคับประคองดีมากนะแล้วจากนั้นรถนี้ก็บึ่งเลยขึ้นท่านก็ดูรองอยู่จนหายเงียบเลต้องมีผู้หญิงสามคนนะคนหนึ่งยังไม่มาเขาเรียกชื่อแล้วยังไงมาไม่มาก็จะมาแบบนะี้ไปจากนั้นไปก็จริงว่าจ้หาหน้าทีมาถามเจ้าหน้าที่อ เ่าช ว, วนอาตมาจะให้ไปที่ไหนถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ได้โยงไปนี่แล้วก็จะขึ้นแดนสวรรค์เหมือนคุณแม่ทั้งทั้งสองคนเลยว่าถ้าท่านอยากไปมนุษย์ทางแดนมนุษย์ก็ท่านกลับไปนี่หรือว่าก็ไปเกิดแดไปแดนมนุษย์แเราโอ้อาตมายังไม่ไปเลยสวรรค์ก็ยังไม่ไปอาตมาหิวน้ำเลยจะไปหากินน้ำก่อนเนั <c oughs> ่นะนะท่านเล่าให้ฟังออกจากนั่นก็ไปไปเจออยู่ที่บ้านน้ำกลับไป ถึงผู้หญิงคนบ้านเขาอยู่นอ้นองๆเขามาตักน้ำ <c oughs> แล้วไปอขอบินตาบานฉันน้ำเขาเขาบอกให้ไปรออยู่บ้านหลังนี้นานอย่าบ้านเขาอยู่ที่นี่นะไปรอที่ น, น เ, เดี๋ยวก็จะตักน้ำไปนั่นพอไปถึงนั้นรู้สึกว่ามันง่วงๆเขาเหมือนจะหลับยังไงทั้งเดี๋ยวหลับพอตื่นขึ้นมาที่ไหนเกิดแล้ว <c oughs> <c oughs> เวลาหลับไม่รู้นะนั่นคือเกิดแล้วนั่นแหละที่มีช่างลูกชาปอยู่มีจะอัตมาอัตมาที่ที่นี่พอตื่นพอลูกถึงตัวขึ้นมาพอพูดภาษาได้จะเปสปาก็มีจะอัตมาอัตมาที่พ่อกับแม่ก็ก็พ่อแม่กับลูกเดี๋ย ว, ว่าไงอะไรก็อะไรตั้งอัตมาอัตมาก็มึงเป็นเด็ดวกวันห้องพักมึงไปเป็นทาสยังไงอัตมาอัตมาอะไรมงพูดไม่ได้รับได้แสงนี่วะ หรือปรากฏว่าถ้าคือตอนนั้นผ้าเหลืองอย่างของอยู่นะตอนที่อาตมาอาตมาพอแม่ว่าอย่างนั้นแล้วผ้าเหลืองลดพวกไปฐานอย่างเลยกลายเป็นเด็กอ mm hmm. ที่นี่ก็เลยเสียใจเราเพราะเราพูดนี่ก็เสียหนึ่งเหมือนกันนะพอรู้จักเรี่ยงสาภาวะขึ้นมาพอประมาณแล้วจึงพูดให้พ่อแม่ฟังเพราะว่าอาตมานี่แต่ก่อนแม่พ่อแม่ขอาอาตมาอยู่ทางโน้นนะเมือง อยู่ทั้งบ้านโคกเราะเลยมอืองอุบลนนุ่นมาบวชแล้วตามท่านแม่อาจารย์อาจารย์ทองนะ่าจาได้แหละที่นี่อาจารย์ทองมามาบวชแล้วก็มาตายอยู่ที่บ้านสามผงเลจากนั้นก็ประมาจริงจึงมาเกิดที่นี่แหละพ่อแม่เดิมมื่อกรรมาพอพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ว่าอาจจะมาคืออยากกั อ, อ, อว่าอยากไปเยี่ยมบ้าน เขเยี่ยมบ้านอะไรก็นี่ก็เป็นบ้านเราอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่เดิมของผมพ่อแม่เดิมของผมอยู่โน่นผมเลยไปเยี่ยมพ่อแม่อยู่บ้านนั่นบ้านนั้นวางอะและ้วพอเลยพ่อกับแม่เลยถามเรื่องเราพอทราบเรื่องของลูกเอาล้อล้อไห้เลยโอ้โอโอโอโออยจะโดนไปลูกจะไปเยี่ยมเลยลว่านี่ก็เป็นแม่สมบูรณ์พ่อสมบูรณ์นั่นแหละว่ายอมรับใ น, นเรื่องราวนั่นละ่ะนั่นสรุปว่าจนกระทั่งจะเป็นเนง แต่อ น, นี้เรื่องยังใสแกวอยู่ทีนี้ก็มาเจออาจารย์ทองที่มันเป็นพยานกันนะแล้วไปเจออาจารย์ทองเพราท่านอาจารย์ทองกับเราคุ้นกันมามากแต่เราไม่รู้เรื่องนี้แต่ก่อนไม่ได้ถามท่านพอไปเล่าเรื่องเร น, นนี่ให้ฟังโอ้ยท่านบูขึงเลยลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ท่านเล่าเสฉะจริงๆชื่อบัวนี่ชื่อพระบวัวท่านว่าคนในเล่าไอ้บางทีจงตั้งสามผงแล้วกับ มาเหละตายมันตายที่สามโขงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเข้ากันได้เปียกเลยว่าปีนั้นพาตายสามโขงไลยไท่านบัวนี่ไล่ผีเก่งนะผมว่าอย่างนั้นนะท่านบัวนี่ไล่ผีเก่งแต่เวลา <c oughs> จะตายไม่ผีตัวไหนจะไม่ดูไม่เห็นไล่เลยตายอยู่บ้านสามโขงสามศพเนี่ยคือเล่าละเอียดเหมือนกันกงกันกับอเนนเอา เ, อาเอานยเลี่ยมดู ว, ว่าง่ายนะเหนือที่จะละยลูกชาดได้ จริง <c oughs> จัจงมากกับอาจารย์ทองนี่เข้ากันได้เพี้ยเพี้ยเลยไม่มีผิดพลาดเลยม <c oughs> ีพูดถึงเรื่องอะไรถึงมหาพระพระบัวนี่วมาม <c oughs> ีมลมาคางนะมีมลมาคางที่มีเ <c oughs> ออเอ็มที่ที่มานี่มีพระซะก่อน เล่าให้เราฟังว่าเนนนี่ลึ ก, กชาติไ้ยชาติใอยู่บ้านาาน้ํากลับอำเภอชาติเมืองจะจะมาในงานนี้พอเราทราบแล้วให้บอกนะเราจะเป็นคนซักถามไม่เรื่อยยเรื่องเาราซึ่ได้ซักถามเนนทีนี้ก็เ <c oughs> นนไม่อยากจะเลาา่าถ้าเล่าเรื่องนี้แล้วไข้ทุกทีเป็นไข้ทุกทีอันนี้ไม่ไข้เอาเล่าเลยไม่เป็นไข้ละวะ จะบอกคแล้วพูดถึงเรื่องอาจารย์ทองนั้นเห็นจำได้ไหมถ้าสมมติว่าเห็นท่านปัจจุบันนี้จะจําได้ไหมจําได้เหรอท่านไปกับท่านอาจารย์ทองแล้วเราก็สราบแล้วลว่าอาจารย์ทองจะมาในงานเขอศพพอนั้นแล้วกอาพากันไปเนี่หาหลักฐานนะพาไปตรงที่อาจารย์ทองทไหนยังไม่ไปนะไปหาดูอาจารย์โอ้นี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปหาองนั้นใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์ไหนที่มีชื่อเสียง นี่องค์นี้ใช่ไม่ใช่เลยใช่เมื่อหาที่ไหนมันไม่ได้แล้วที่นี่ถึงจุดแล้วนะเลยเข้าไปหาองค์นี้นะพอไปเห็นนี่องค์นี้ใช่ไหมใช่เลยองค์นี้เล้วก็นั้นท่านกําลังคุยกับแขกอยู่ก็ทึบอยู่นี่แหละองค์นี้แหละใช่แล้วนั่นเห็นไหมล่ะจำได้แม่นยาเนี่ยก็ยุติเพีนงอะไรคือจำได้ขนาดนั้นองค์นี้แหละว่างก็เราก็ขัจะดทองก็คุ้นกันมาตั้งหลายทำไมจะไปดูว่าอาจารย์ทองนี่แหละองค์นี้ว่างนั่นสยามาส เวลาเนี่ยเป็นไงก็พอกันตั้งแต่เผาสดต้องปุ่ม 5, 5ั่นห้าถึงห้าปีนี่แล้วมาเน้นนี่นะมันคงจะสื่อประเทศนี้เป็นตายเลยเราไปดูพูดถึงเรื่องระลึกชาติได้กับท่านมาจารย์ทองพูดเข้ากันได้เพี้ยเยี่ไม่มี่าตเรื่องไป <c oughs> พูดอย่างนี้เราก็พูดลองนอกตามคนที่ เราเราท่านๆม่ค่อยเข้าใจกันฟังตามานะสำหรับเราเองเราไม่ได้สงสัยสงสัยหาอะไรจิตดวนี้อ่ะ <c oughs> ตัวที่มันซอกแสกที่แจกเกิดโคบใดโคบใดนี่อย่างที่พูดว่าจนโอ้ขยะขยะงในพคบชาติตัวเอ็เกิดมายังไงไปยังไงตลอดถึงโลกทั่วไปมันเป็นเหมือนกันนี่หมดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบความถูกความร้อนมันเรื่องไป ตรงแล้วโลกหมู่ไม่เป็นเปรตเป็นผีเป็นตลอดวิถงสวรรค์ฉั้นถ่นนมมันไปด้วยกันแต่มันจําไม่ได้นะ่ะเพราะมันเกิดอยู่ที่สับหี่กันวกเวียนไปมาเกิดตายเกิดตายนี่เจ้าของเลยไปได้ถูกกรบลอยกรบลอยความเป็นมาของทั้งหมดนี่นเวลามันได้รู้นมันจ้าหนมันอันนั้นที่ปฏิเสธได้ยังไงนี่แหละที่มันเกิดความสงบของเมตโตไปอย่างนี้ลเลยเลยอวะที่ตรงนี้มันไม่เคยตายนี่ ตามเข้าไปตอในจิตจักภาวนามันชัดเจตามเข้าไปจงกระทั่งมีเรื่องเดียอแต่วิธีจิตล้วนๆหรอกนะมันปล่อยพอนปล่อยลงไปเหลือแต่วิธีจิตกับที่เลียดส่วนนั่นเหย่อๆมั น, มนมติตดทา น, น, น, นไปตามเข้าไปตามไปเป็นลื้อถอนสิ่งที่จอมปลอมไ่ออกโดยยิ่งเสียงมันจ้าขึ้นมาเี่นั่งเห็นไหมล่ะมันตายที่ไหนออกจากร่างจ้าขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นนิพพานธาตุที่เป็นธรรมชาติเหลือธรรมชาตินั่นศูนย์ที่ไหนล่ะ นี่ละสุดท้ายของจิตดวงนี้ไปถึงความธาตุหรือธรรมชาติมันศูนที่ไหนนี่ยตัวไม่เกิดมันตายเพราะฉะนั้นจึงต้องย้อยสอนว่าให้อบรมหนาหว่าจิตนี่ไม่ตายแต่เรื่องความชั่วคนามมันพ่อบาปกรรมของตัวเองนั้นปิดไม่อยู่เลยส่ ว, วนมากศาสตร์หยาดจะทำตั้งแต่ความชั่วจึงมีแต่เรืองทำความดีก็เป็นของดีติดกันแน่กว่าไปนั่นไงมาในเรื่อง จิตตาแล้วศูนย์ยาไปฝังนะพระจะไปคิดให้เสลเยเรื่องไนหลานนะมันไม่เคยตายเป็นตัวสมบูกณ์สมบัติแล้วนี่พ่อแม่ครอาจารย์มั่นท่านพูดว่าจิตนี่คือนักท่องเที่ยวน่ะท่านว่านักท่องเที่ยวคือจิตนท่านว่าท่านพิจารณ์ของท่านรู้หมดเรื่องแต่ถ้าไม่ได้พูดไปกว้างขวางอะไรเราเรามันจะเป็นบ้านน้หลายบ้างก็อาจเป็นได้มันอาจจะไปกว้างขวางที่จะ จะให้พูดตามเราคอมามนต์จริงแล้วมันจะเรียกว่าพิสดารมากทีเดียวจิตตรงนี้มันตามร่องรอยของตัวเองและสัตว์ทั้งหลายมันไปรู้เลยนั่นนี่หละที่จะยอมทำมาบุทธเจ้ายอมตรงนี้เองเวลามันปิดมันปิดมันไม่รู้จริงเวลาเปิดแล้วมันปิดก็อยู่มันรูปมันรูปมันหมดแล้วมาหาพยานด้วยนะเจอก็าตงไหนก็เหมือนเนรเลี่ยมไปเจออาจารย์ทองเลย องนี้ใช่ไหมใช่อง์นี้แล้วนี่กลืนด้วสันตินั่นมันแช่ไปถามใครที่ไหนโองค์นี้แล้วองนี้แล้วนัาอาจารย์้องนั่นแต่ลาท่างบวชเป็นข้าบวัวเนี่ยไปกับอาจารย์องนี้แล้วไปตายเวลามาเจอที่หลังมาเจอมาเห็นอานารย์ท่างยังไม่หลิวเนือเราพาไปดูองค์นั่นอง์นี้ก่อนยังไม่เข้าตัวจริงแหละากจ ะ, จะทราบชัดเจนมันใช่ไหมไปหาองไหนก็ไม่ใช่องนั่นก็ไม่ใช่พอนั่นแหละที่ีิเข้าหาจุบแล้ว เราก็มาผมนิ่งใจมาโอ๊ยอุงนี้จะใค่เหรอนั่นเห็ไล่ะแต่ตอนนั้นท่นนานมีแขกคนอยู่ก็ก่อมาเล่าอ่ะให้ท่านฟังโอ้ยท่านรู้สึกว่าอะไรตื่นเต้นมากท่านเลยบรรยายเรื่องพระบัวไี่ไปหมดเข้าก็ได้ฝืนเลยอืประตายอยู่สามหลว ง, งแต่ก่อนมันไล่ผีเก่งนะบบว่าผีตายตัวยังมีอย่างไรเป็นแบบนี้นะ เรื่องพิจารณางติดนี่โอ้ยเสีนมากแต่จะรู้ให่ทางด้านที่จะฟังเนี่ยือเฉยให้ยู่เรื่องก็่ยังไม่มีทางไม่รู้แต่วลวมันเปิดแล้วมันิดไม่อยู่ไม่รู้ทำไ หมือนเรไปยึดถึง้มัาแก้วนะแต่เราไม่เคยกลับมาเนี่ยคือว่าอเป็นอาจารย์ของเราคือก็เห็นว่าโอ้โอ enfin ่งนี่ไวโองเราเ้ากับขวดชื่อขวดเยอะแต่ว่าก็เห็นว่ามันเหมือนว่าค้างประจําขวามันยอมรับพอไปกลับไปถึง กึ้งวันเดียวแตงองนี้ไหมนี่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแต่ไปสัมัสท ja ่านจะสอนพวกเราอยู burn, GE, ่ไมเท่านั้นเองเขาคจะงกพระองค์นี้แหละนี so ่แหละที่จะอยู่จ็มาสอนถามอะไจะชื่องาแกเป็นที่อะไรผู้ใจก็ไปสําผัสนะอันนี้นะหลวอาจารย์จ่ว่าเยียวระยาท่านนะ เขาถือเป็นความภารกิมากธรรมยาฉังทางเท่าอุสาถือเป็นความภารกสูงเยี่ยวยาฉันอย่างยา่านมั่นยาฉันเสาเพราะพารกิสูงนี่เลยมาเปิดมากนมตทางที่พิจาราอะไรการที่พิจารณามายา่ันนี่เคยปฏิญญาเป็นผู้สกุลเป็นสกุธเจ้า ม า, งมา อ, ง, มนน อ, อางนั้นแล้วมาถึงทำไมถึถึงปล่อยเสียอย่างเงี้ยจำไม่บอกว่าใช่หรือไม่นะแล้วมาถึงครัวไถึงปล่อยเสียอยน่นคือปัหนาไปวูซ้ามมาทำไมไม่ก้าเดนไปน้แล้วมาที่นี่ทำไมถึงปล่อยเสียอ่างนี้เราก็นิน่งเฉยนิ่งอยู่ก็ท้องแบบนี้ไ่เคยจอบเลยเารียนแกก็ไม่ทาจอบเลยจับเรา แกก็สอนแกรู้ถามรูแบบนั้นนะไม่กล้าแค่สองโงสามนาทีนะสองโมงสามนาทีโอ้โวันนี้พูดคุยเ้านี่นะวันนี้พูดคุยเกลานี่เนี่ยปวดปวดเข่าย้วยืดเลยครับผมนะยืดเลยครับผมเข่ายาวปวดแล้วมันก็มยืด ไม่อยู we mm ่หนอยยงมลกตาพักไหมครับผมจับเส้นหน่อยไมครับผมเขาเ็ไม่หรอว่ะจับนี่ก็กาับพวกนี้มีเพื่ออะไรอะไรมีไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปเชี่ยวอยู่อะไรเฮ้ยไหนอ้าวเดี๋ยวเชี่ยวอยู่อะเชี่ยวอยู่ใชอ้าวเชี่ยวกันละบางดูงันดูมั้ย